ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศิษยาบทตรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกพิกษานีบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีผู้ศึกษาศิษยาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแต่สรงยังไม่ได้สมมติจริงหรือภิกษุทั้งหลายถวารว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า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 ทรงแสดงธรรมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีสงให้วุฒานสมมุติแก่หญิงที่มีครอบครัวมีอายุ12ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมโมข้อตลอดสองปีแล้วภิกษุทั้งหลายทรงพึงให้วุฒานสมมุติอย่างนี้